1>, 1. วัตถุ ป, ประสงค์เป้าหมายและวิธีการปฏิบัติของชาวพุทธวงเล็บเปิด 27. กรกฎาคม2 5 5 1ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียนแล้วจะพ้นทุกนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่เห็นจะทุกเท่าไรเลยสิ้นปีขอให้เงินเดือนขึ้นก็แล้วกันจริงๆแล้วถ้ามีสติมีปัญญาพอจะเห็นเลยชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจของเราถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครบีบคั้นนะบีบคั้นตัวเองทุกครั้งที่ตัญหาเกิดความอยากเกิดขึ้นนี่ใจจะถูกบีบคั้นแม้กระทั่งความอยากปฏิบัติไม่มีข้อยกเว้นว่าอยากปฏิบัติแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าดูเป็นจะเห็นเลยใจนี่ถูกเข้นตลอดเวลาเข้นเค้นเค้นบางทีไม่ใช่เข้นแค่นี้นะถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะรู้สึกไม่ใช่เอามือเข้นแค่นี้แต่เหมือนเอาภูเขามาบดเรา เหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆทั้งลูกขยี้ลงมาในจิตในใจเราหนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าสติปัญญาไม่พอเราก็ไม่เห็นหรอกว่ามันทุกข์จะเห็นแต่ว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะยังมีทางเลือกก็ยังดิ้นรนหาความสุขยังดิ้นรนหนีความทุกข์จะดิ้นรนไม่เลิกยิ่งดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นนี่เป็นเรื่องแปลกแต่ถ้าสามารถรู้ลงไปจนจิตมันหยุดดิ้นหยุดปรุงแต่งได้มันจะมีความสุขที่อศัศจรรย์ที่สุดเลย พวกเรามีบุญวาสนาที่ได้เกิดในแผ่นดินซึ่งศาสนาพุทธยังดำรงอยู่หลักธรรมแท้ๆที่พระพุทธเจ้าสอนอยังได้รับการถ่ายทอดอยู่ยากมากที่จะมีสภาวะอย่างนี้มีความพร้อมขนาดนี้คนในโลกมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมคนที่สนใจจะเรียนธรร ม, มะมีนิดเดียวกระทั่งคนเข้าวัดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจไปเรียนธรร ม, มะเว้นแต่วัดหลวงพ่อนะเพราะวัดนี้ไม่มีอย่างอื่นเลย ขนาดคนจะมาขอทอดผ้าป่ายังบอกไปทอดที่อื่นได้ไหมไม่อยากเสียเวลากับเรื่องนี้นี่โอกาสที่เราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วมีศรัทธาสนใจที่จะศึกษาแค่นี้ก็ยากแล้วคนทั้งโลกมีตั้งหลายพันล้านคนใช่ไหมคนศึกษาธรรมะจริงๆมีนิดเดียวเองฉะนั้นเราเป็นคนกลุ่มน้อยนะเป็นชนกลุ่มน้อยศึกษาแล้วกว่าจะได้ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งมีสติเกิดขึ้นจิตรู้สึกตัวจิตตื่นขึ้ น, นมานี่นับตัวได้เลย เมื่อก่อนหลวงพ่อจะพูดเรื่อยๆว่าในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกมีครูบาอาจารย์อยู่ไม่เท่าไรหรอกนะที่รู้สึกตัวขึ้นมานอกนั้นไม่รู้สึกจริงหรอกกระทั่งคนที่นั่งสมาธิคนที่เดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกตัวส่วนใหญ่ทำไปด้วยความคาดหวังว่าทนๆไปนะแล้ววันหนึ่งคงจะได้มรรคผลนิพพานเราจะได้มีความสุขปฏิบัตินะก็เพื่อเซิร์ฟในวงเล็บสนองตัวเราให้เรามีความสุข มีน้อยคนที่จะตื่นขึ้นมาได้ฉะนั้นพระอริยะจึงขาดแคลนถ้าตื่นขึ้นมาได้นะเราได้ต้นทางแล้วพอตื่นขึ้นมาได้เรารู้สึกตัวเป็นเราสามารถรู้กายได้เราสามารถรู้ใจได้ถ้าเราสามารถรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าเราทําสติปัฏฐานอยู่ถ้าเราเดินสติปัฏฐานได้ถูกต้องนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องเห็นผลหลวงพ่อเทียนท่านท้ามากกว่านั้นอีกท่านบอกว่า เวันเจเดือน7ปีนานไปหวัน6เดือน6ปีก็พอนี่ท่านห้าวหาญท่านขนาดนั้นแต่6วันยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นหกวันน่ะจริงๆแล้วไม่ยากถ้ารู้หลักจะได้ผลอย่างรวดเร็วเลยหลักของการปฏิบัติจริงๆเราต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายวิธีการเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์คือสิ่งสูงสุดเลยที่ต้องการวัตถุประสงค์ของเราคือจะต้องประจักษ์นิพพานให้ได้ต้องเห็นนิพพานให้ได้วันหนึ่งเป็นพระอริยะและเป็นพระอรหันต์เข้าถึงนิพพานจะไปถึงนิพพานนี่ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายคือโกมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่เป้านะเพื่อไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์เรียนบ้างหรือเปล่าวิชาพวกนี้เรียนใช่ไหยลืมไปหมดแล้วหรื อ, อยังวัตถุประสงค์ของเราชาวพุทธก็คือต้องพ้นทุกข์ พ้นทุก์ก็คือนิพพานนั่นเองถ้าไม่ถึงนิพพานก็ไม่พ้นทุกหรอกนิพพานพ้นทุกตรงไหนตรงที่พ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจเพราะกายกับใจคือตัวทุกข์นิยามของคําว่าทุกข์ในาศาสนาพุทธคือกายกับใจนี้รูปกับนามนิพพานนี่จิตมันพ้นจากความยึดถือในรูปในนามมันจะพ้นทุกพ้นออกไปจากขันก็เป็นนิพพานเป้าหมายที่หนึ่งที่จะไปสู่นิพพานต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ เป้าหมายที่สองก็เป็นพระสกิทาคามีเป้าหมายที่สและสี่คือเป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามลําดับอันนี้เป็นแค่เป้าหมายเท่านั้นเองเป้าหมายที่หนึ่งพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณสมบัติอย่างไรเราต้องรู้คุณสมบัติของพระโสดาบันแล้วก็ต้องเจริญในธรรมที่ทำให้คนเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ามีตัวเราพระโสดาบันเห็นความจริงแล้วว่าตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่ถาวร น, นั้นไม่มี วิธีการของท่านก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจนี่แหละเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละรู้กายรู้ใจลงไปเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเห็นกายเป็นวัต ถ, ถุเป็นก้อนธาตุเห็นกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เป็นวัต ถ, ถุส่วนจิตใจเป็นนามธรรมซึ่งไม่ใช่ตัวเราแยกออกไปจากสิ่งซึ่งรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันจะกระจายออกไป อย่างความรู้สึกสุขรู้สึกทุกเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรากุศลและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเกิดดับตลอดเวลาไม่มีตัวเราที่ถาวรเราต้องเห็นความจริงอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้ววันหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มี กายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่แท้จริงไม่มีแล้วใครเป็นคนทำกรรมขันมันทำกรรมใครเป็นคนรับกรรมรับวิบากขันมันรับวิบากแต่ไม่ใช่เรามีการกระทำกรรมแต่ไม่มีเราผู้กระทำกรรมมีผู้รับผลกรรมแต่ไม่มีเราผู้รับผลกรรมขันมันเป็นคนทำขันมันเป็นคนรับจะเห็นถึงขนาดนี้ตัวเราที่แท้จริงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเหมือนภาพลวงตาเท่า น, นั้นเอง อาศัยที่ขันมันมาประชุมกันอย่างขันห้ามันมารวมกันอย่างนี้ร่างกายนี้ก็เป็นเปลือกใช่ไหมเป็นครูหาให้จิตใจอาศัยอยู่จิตใจมันไม่ได้อยู่ลําพังจิตใจมันก็ต้องมีเวทนามีสัญญามีสังขารอยู่ด้วยไม่ได้อยู่คนเดียวประกอบขึ้นมาก็เป็นรูปธรรมนามธรรมนี้แหละอาศัยสัญญามีใจครองอยู่ในกายนี้อาศัยสัญญาคือการหมายรู้ผิดผิดหมายรู้แบบวิปลาสหมายรู้ผิดผิดว่าไอ้กลุ่มนี้ก้อนนี้คือตัวเรา ฉะนั้นพวกเราแต่ละคนยังเข้าข่ายวิปลาดอยู่นะพระโสดาบันถึงจะละวิปลาดได้พวกเรายังวิปลาดคือยังเห็นผิดอยู่เรายังเห็นว่านี่คือตัวเราถ้าเราจเจริญสติมากเข้ามากเข้าจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูพวกที่จิตตื่นขึ้นมารู้สึกหรือยังร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันเป็นของที่จิตไปรู้เข้า อย่างคนนี้พอเริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันเคลื่อนไหวได้มันกระดุกกระดิกได้แต่มันไม่ใช่ตัวเรามันแยกออกไปจากจิตกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งพอแยกกันอย่างนี้ปั๊บจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนนี่เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉย เป็นแค่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่ห่างๆมันไม่ใช่จิตด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่กายด้วยนี่หลายคนเริ่มเห็นแล้วมาสองสามวันเห็นได้ขนาดนี้ก็บุญหนักหนาแล้วนะอยู่มาตลอดชีวิตตั้งหลายสิบปีไม่เคยเห็นหรอกหากเจริญสติขึ้นมาจะเริ่มเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ห่างๆออกไปเวทนาก็อยู่ห่างออกไปกุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายก็อยู่ห่างๆออกไปรู้สึกไหย บางคนรู้สึกได้แล้วนี่ให้เรารู้ตัวของเราไปเราจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราดูต่อไปเรื่อยเรื่อเราจะเห็นจิตเกิดดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับถ้ายังไม่เห็นอย่างนี้นะเราก็จะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวหัดดูทีแรกจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาอย่างวันแรกหลวงพ่อพาดูพระพุทธรูป นึกออกไม้ว่าจิตเราวิ่งไปที่พระพุทธรูปเราก็รู้สึกจิตยังมีอันเดียวอยู่จิตมีดวงเดียวนี่แหละวิ่งไปโนโ่นแล้วก็กลับมาวิ่งไปทางนี้แล้วก็กลับมาวิ่งขึ้นข้างบนลงข้างล่างแล้วก็กลับมาจิตนี่คล้ายๆแมงมุมวิ่งไปวิ่งมารอบๆใหญ่อันนี้ยังเห็นไม่ถูกต้องนะถ้าสติปัญญาแก่รอบกว่านี้จะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับไปจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับไปจิตเกิดที่ใจไปคิดไปนึกแล้วก็ดับไป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 จะเห็นจิตขาดเป็นท่อนท่อนท่อนเป็นตัวตัวดวงดวงไปที่เขาเรียกเป็นดวงดวงเห็นอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่อันเดิมจิตที่รู้สึกตัวก็ดวงหนึ่งจิตที่หลงไปคิดก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวก็ดวงหนึ่งจิตที่เพ่งอยู่ก็ดวงหนึ่งคนละดวงกันถ้าเราเห็นอย่างนี้ขาดเป็นดวงดวงเรียกว่าสันติขาดสันติคือความสืบเนื่องสันตินี่แหละสร้างภาพลวงตาขึ้นมา ถ้าสันติขาดเราก็จะเห็นของจริงยกตัวอย่างเหมือนเราดูการ์ตูนเราดูการ์ตูนเราเห็นว่าตัวการ์ตูนอย่างโดเรมอนอิคิซังมันเดินได้ใช่ไหมวิ่งได้กระโดดได้ ท, ทําท่าโน้นทําท่านี้ได้ทั้งๆที่ในความเป็นจริงมันคือรูปที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแต่ละรูปแต่ละรูปมาต่อกันรูปนี้เกิดแล้วก็ดับจิตมันจําเอาไว้อาศัยสัญญาใช่ไหมสัญญาที่หลวงพ่อว่ามันวิปลาสนะ์น่ะอาศัยสัญญาจํารูปรูปแรกมันอยู่ตรงนี้ อีกรูปหนึ่งมันมาอยู่ตรงนี้นี่อาศัยสัญญานะมันจําได้ว่าแต่ก่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ตรงนี้มันจะรู้สึกเหมือนมันเคลื่อนได้เราเห็นตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวได้ชั้นใดเราก็เห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาได้ฉันนั้นนี่เป็นความหลงผิดนี่เป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองแท้จริงจิตก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกา ร, ร, ร์ตูนเทระูปเทระูปนั่นเองแต่ว่าสติปัญญาของคนทั่วไปซึ่งไม่ได้เคยฝึกฝนไม่สามารถเห็นได้ก็จะรู้สึกว่าจิตเที่ยง ร่างกายนี้แม้แต่คนศาสนาอื่นเขาก็รู้สึกได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเขารู้สึกได้นะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามีแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้เราเห็นความจริงได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่พระพุทธเจ้าพูดเองนะว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดดูการาภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับวงเล็บเปิดหมายถึงคนซึ่งไม่เคยได้ยินธรรมะวงเล็บปิดสามารถเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา แต่ไม่สามารถเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเรามีแต่ในธรรมวิไนวงเล็บเปิดคือคำสอนวงเล็บปิดนี้เท่านั้นถึงจะทำให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้ปิดเครื่องหมายคำพูดเพราะอะไรเพราะเราเห็นสภาวะที่เราหัดรู้สึกตัวแล้วก็หัดรู้ทันจิตใจตัวเองก็เพื่อจะได้เห็นสภาวะว่าเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่หูเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ใจ เกิดที่ใจก็ทำงานหลายแบบเกิดที่ตาทำงานอย่างเดียวคือไปดูเกิดที่หูทำงานอย่างเดียวคือไปฟังเกิดที่ใจทำงานหลายอย่างมันทั้งคิดทั้งนึกทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วสารพัดสมอยู่ที่ใจนี่เองทำสมะถะก็ทำด้วยใจจิตมันไปเพ่งฟุ้งซ่านก็ไปฟุ้งด้วยใจใช่ไหมสารพัดเลยไปคิดก็คิดด้วยใจไปรู้ก็รู้ด้วยใจสารพัดงานมันอยู่ที่ใจนี่เอง ถ้าเราสามารถเห็นว่าจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆนี่ไม่นานเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเราจะเห็นความจริงแล้วจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่แท้จริงไม่มีมันมีอะไรของเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับร่างกายนี้ของหมูหมูดูง่ายจิตนี้ดูยากเราอย่ามัวแต่ดูอะไรที่เสียเวลาถ้ามีกำลังพอดูให้เข้าถึงจิตถึงใจถ้าอะไรวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะ ทุกอย่างในโลกนี้จะไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายมันไม่ใช่เราตั้งแต่เริ่มหัดเจริญสติแล้วพอจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าร่างกายมันอยู่ตังหากแล้วเหลือแต่จิตอันเดียวนี่แหละรู้สึกวิ่งไปวิ่งมาฉะนั้นเจริญสติจะเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับการที่สัน ต, ติขาดนี่แหละคือวิปัสนาที่แท้จริงถ้าสัน ต, ติยังไม่ขาดยังไม่ใช่วิปัสนาที่แท้จริงนะ เราต้องค่อยๆดูไปฝึกไปเรื่อยๆพอสันตติขาดแล้วจะสันสะเทือนขึ้นมาเลยบางคนรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกเบื่อบางคนรู้สึกหวงหวงตัวเราหายไปแล้วหวงหวงเว้งวางหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้บางคนเบื่อจับจิตจับใจเลยเบื่อสุขเบื่อทุกเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อสามีเบื่อภรรยาแต่เบื่ออย่างนี้ไม่ใช่เบื่อด้วยกิเลสมันเบื่อด้วยสติด้วยปัญญาเห็นทุกอย่างไม่มีสาระเลยไม่มีตัวมีตนอะไร ใจมันจะเบื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเบื่อสุขกับทุกข์เท่าๆกันเบื่อดีกับชั่วเท่าๆกันเบื่อหยาบกับละเอียดเท่าๆกันเบื่อภายในกับภายนอกเท่าๆกันจิตก็หมดแรงดิ้นเลยไม่ดิ้นรนค้นคว้าบางคนกลัวกลัวมากๆเลยเพราะภาวนามาจนเห็นว่าตัวเราไม่มีกลัวเพราะว่าตัวเราหายไปแล้วตก อ, กอกตกใจขึ้นมาถ้าภาวนาไปช่วงหนึ่งบางคนจะรู้สึกเบื่อจับจิตจับใจบางคนกลัวจับจิตจับใจ บางคนรู้สึกหวงหวงเ ว, วิงวางหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เมื่อสภาวะอันนี้เกิดขึ้นแล้วให้มีสติรู้ทันเข้าไปอีกสภาวะอันนี้ก็เช่นเดียวกับความโลภความโกรธความหลงที่เคยเห็นมานั่นเองคือเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกันพอดับไปแล้วใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราก็ดูกายดูใจของเราต่อไปจิตมันจะค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นมันจะเห็นเลย ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านหดหูดีใจเสียใจทั้งหมดนี้ชั่วคราวหมดเลยจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดแล้วก็ดับไปชั่วคราวหมดเลยพอจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตจะหมดแรงดิน้นจิตจะหมดการดิ้นรนค้นคว้าเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหมดแรงดิ้นรนค้นคว้าที่จะหลีกหนีอารมณ์ที่ไม่พอใจจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางที่แท้จริง ความเป็นกลางเพราะปัญญานี่แหละเป็นความเป็นกลางที่สําคัญมากปัญญาตัวนี้เรียกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดสังขารุปเปกขาญาณปิดเครื่องหมายคําพูดสังขารุปเปกศาญาณถ้าเกิดกับผู้ใดแล้วจะถึงทางแยกที่สําคัญทางแยกสายหนึ่งแยกไปสู่การตรัสรู้ทางแยกสายที่สองแยกไปสู่พุทธภูมิเป็นพระโพธิสัตว์ถ้ายังไม่ได้สังขารุปเปกขาญาณอย่ามาโม้เลยว่าเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่เป็นจริงหรอก เจอความทุกข์เข้าหน่อยก็ถอยแล้วแต่ถ้าเป็นสังขารุปเปกขายานนี่เห็นสุข ก, กับทุกข์มันเท่ากันนรกกับสวรรค์มันก็เท่ากันไม่กลัวนะอย่างนั้นน่ะพอมีโอกาสจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ในอนาคตอีกนานแสนนานพวกเราคงนิพพานไปหมดแล้วละ่ะปล่อยให้พวกนั้นเข้าไปเถอะเราไม่เอาด้วยแล้วอีกพวกหนึ่งมันหมดความดิ้นรนจิตมันรู้ตื่นแล้วก็เป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นคําว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดสักว่ารู้สักว่าเห็น ปิดเครื่องหมายคำพูดเป็นคําที่สูงมากนะแต่พวกเราเอามาใช้พร่ําเพรื่อเราเห็นแค่สาวแล้วรู้ว่าจีบเขาไม่ได้เราก็เออสักว่ารู้สักว่าเห็นงี้เงาที่สุดเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาจีบแล้วบอกว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นเครื่องหมายคําพูดเปิดสักว่ารู้สักว่าเห็นปิดเครื่องหมายคําพูด จริงๆเป็นคำที่สูงมากคือจิตจะต้องมีสังขารูปเปกขายานมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกันสุขกับทุกข์เท่ากันมีความสุขเกิดขึ้นมาก็สักว่ารู้สักว่าเห็นได้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็สักว่ารู้สักว่าเห็นได้เมื่อสักว่าสักว่านี่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็จะหมดการดิ้นรนของจิตหมดความปรุงแต่งของจิตจิตจะค่อยๆปรุงน้อยลงน้อยลงถึงจุดหนึ่งหยุดปั๊บลงไปตรงหยุดปั๊บลงไปนี่ จะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติเลยเมื่อรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วตรงนี้จะไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นภายในสองสมขณะแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกบางคนเห็นสองขณะก็ยอมรับความจริงบางคนหัวดื้อหัวรัน้นต้องเห็นสามขณะถึงจะยอมรับความจริงแต่ท่านนับเวลาแล้วแทบไม่ต่างกันเวบเดียวเท่านั้นเองจะเห็นไหววับวับ ว, บวบดับไปใจนี้สักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริง ไม่มีกระทั่งความคิดนึกปรุงแต่งใดๆสักนิดเดียวเลยถัดจากนั้นจิตจะวางการรู้สภาวะแล้วทวนกระแสะเข้าห า, าธาตรู้พอทวนกระแสะเข้าถึงาธาตรู้แล้วอริยมรรคจะแหวกอาสวะกิเลสทั้งหลายหรือสังโยชน์ทั้งหลายอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่สังโยชน์ที่แทรกอยู่ในจิตจะถูกทำลายออกไปตรงกระบวนการทำลายล้างนี่มีเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นไม่มีสองขณะเพียงขณะเดียวเท่านั้นเองเมืนันเหมือนเราเป็นซามูไรชั้นหนึ่ง เห็นนายตึกคอใหญ่ๆหน่อยนะตวัดดาบฉับเดียวหัวหลุดไปแล้วไม่ต้องฟันสองครั้งฟันทีเดียวขาดเลยแต่ส่วนตอนจดจดจ้องจ้องจะฟันเนี่ยสองทีบ้างสามทีบ้างต้องตั้งท่าหน่อยแต่ตรงที่ฟันนี่ฉับเดียวขาดเลยพอขาดสะบันลงแล้วตรงนี้เราจะเห็นนิพานสองขณะบ้างสามขณะบ้างตรงนี้เป็นผลแล้วเป็นโลกุตระผลตรงที่เกิดอริยมรึกเรียกโลกุตระเหตุมรึกเป็นเหตุผลเป็นผล ตรงที่เห็นเป็นผลนี่จะเห็นไม่เท่ากันพวกที่อินทรีย์แก่กล้าพวกนี้สติปัญญาแก่กล้าจะเห็นนิพพานสามครั้งสามขณะพวกที่ยังไม่แก่กล้าจะเห็นสองขณะฉะนั้นเป็นพระโสดาบันก็ไม่ใช่เท่าเทียมกันนะไม่เท่ากันเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่เท่าเทียมกันภูมิความรู้ความเข้าใจจะแตกต่างกันแต่ตรงนี้เราไม่ต้องนึกแล้วนะขอให้มันได้ก็แล้วกันอย่าโลภมากฉันขอสี่ขณะนี่เอาให้เยอะกว่าพระพุทธเจ้าอีก จะเอาสี่ขณะไม่มีนะมีสามขณะเท่านั้นเองถัดจากนั้นจิตจะถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกนี้พอกลับมาสู่โลกภายนอกมันจะทวนกลับเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นมันจะรู้เลยว่ากิเลสตัวไหนหายไปแล้วกิเลสตัวไหนยังเหลืออยู่รู้ว่ายังมีงานต้องทำอีกแต่ถ้าเป็นการตัดครั้งที่สีที่เป็นพระอรหันต์นะมันทวนวับเข้าไปมันจะเห็นนิพพานชัดเจนเลย ไม่มีกิเลสอะไรจะต้องลดละอีกแล้วมันไม่มีเหลือจะเห็นนิพพานลุ้นล้วนสดชื่นมากน้ำหูน้ำตาร่วงนะอันนี้ฟังเข้ามาอีกทีอย่าไปอ้างนะว่าหลวงพ่อบอกเองว่าหลวงพ่อเป็นเดี๋ยวใครเข้ามาจับหลวงพ่อไปนี่ได้ยินครูบาอาจารย์ท่านว่ามาอย่างนี้ฝึกนะแล้วเราจะได้ของดีที่สุดในชีวิตนี้ถ้าทิ้งโอกาสที่จะศึกษาธรรมะคือทิ้งโอกาสที่จะได้รับความสุขที่สูงที่สุดความสุขในโลกสุขสุขดิบๆนะ ความสุขในโลกเหมือนการเปียแชร์เท่านั้นสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลุ้มใจอีกแล้วความสุขในโลกเป็นแค่นั้นเองพวกเราเป็นชาวพุทธพวกเรามีบุญวาสนาพวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พวกเราได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าคือของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของเราท่านสอนให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่เราต้องรู้กายรู้ใจเราไปเรื่อย แล้ววันหนึ่งเราจะได้มรดกของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หอบเอานิพพานแล้วหายไปไหนนิพพานยังอยู่เต็มโลกเต็มบริบูรณ์อยู่นี่แหละคนมีบุญวาสนามีปัญญาแก่รอบเจริญวิปัสนาแก่รอบแล้วก็จะได้รับนี่รางวัลสูงสุดของชีวิตยอยู่ตรงนี้ฉะนั้นอย่างโง่นะส่วนใครจะโง่ก็ช่างเขาเถอะคนในโลกมันโง่เยอะกว่าคนฉลาดโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพวกเรามีโอกาสแล้วอย่างโง่ทํางานจะอยู่กันสักกี่ปี หลวงพ่อรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะแยะที่มาวัดหลวงพ่อระดับปลัดกระทรวงระดับรัฐมนตรีสอส อ, อะไรก็มานะใหญ่ใหญ่โตโตก็เห็นมันใหญ่พักเดียวใหญ่อยู่พักเดียวเดี๋ยวมันก็เฉาเฉาแล้วเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเศรษฐีร่ำรวยมันก็เหมือนหัวโขนมันพองได้พักเดียวเดี๋ยวก็ไม่พองแล้วถึงวันหนึ่งก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป คนนะ่ะมีจุดจบด้วยการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปชื่อเสียงอะไรต่ออะไรไม่มีเหลือหรอกอย่านึกว่าชื่อเสียงจะคงทนเห็นไหมคน ก, ก่อนๆที่เขามีชื่อเสียงเกียรติยศเขาก็หายไปหมดแล้วนานๆครบรอบวันตายทีคนไประลึกถึงทีโอ้ท่านมีเกียรติคุณดีงามอย่างโน้อนอย่างนี้ก็มาร่ํารําพันกันหารู้ไหมว่าท่านกําลังอยู่ในนรกบางทีเชื่อถืออะไรไม่ได้นะในโลกนี้อย่าประมาท สิ่งซึ่งเป็นสาระแก่นสารจริงๆมีแต่ธรรมะเท่านั้นธรรมะนี่แหละให้ความสุขในปัจจุบันตั้งแต่เราเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมะให้ผลที่เป็นความสุขอันมหาศาล ร, รออยู่ในอนาคตรอคนจริงไปเอาคนไม่จริงไม่ได้หรอกคนหยอหยอแยะแยะโลโลเลเลยไม่ได้หรอก